คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่เก้าว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ 1. วอดวายพระผู้นำ 2. ออุปชายเสีย 3. อาจารย์เสีย 4. เทระเสีย 5. เทระที่ต้องระวัง 6. เทระพาน 7. เทระวิปริต 8. เทระโลเลหลายแบบ 9. พ่อฆ่าลูก10สมภารผิดหลัก11สมภารติดถิ่น12สมภารติดที่อยู่13นรกของสมภารเจ้าวัด คุ้มซับจากพระโอษฐหมวดที่เก้าว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วาดวายเพราะผู้นำภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคบาลชาวมคตเป็นคนปัญญาทืบเตือกำเนิดไม่คำนึงถึงฤดูาศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโน้น ตรงที่ที่ไม่ใช่ท่าสำหรับโคข้ามเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลฝูงโคได้ไว่ายวกไปเวียนมาในทํากลางกระแสะแม่น้ำคงคาเพราะไม่อาจขึ้นฝั่งข้างใดได้ก็พากันถึงความพินาศวอดวายเสียนะกลางกระแสะน้ำนั่นเองข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่โคบานชาวมคตเป็นคนปัญญาทึบเดืกําเนิดไม่คานึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝน ไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้ได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัชภากโน้นตรงที่ที่ไม่ใช่ท่าสําหรับโคข้ามเลยนั่นเองภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องโลกนี้ไม่ฉลาดเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องวัตฏะอันเป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดเรื่องวิวัตฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร เป็นผู้ไม่ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูไม่ฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรรตยูชนเหล่าใดเกิดไปสำคัญว่าทอดคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจกเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน อุปชาเสียภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายซึ่งมิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตและมิได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จกเป็นอุปชายะให้อุปสมบทคนอื่นๆแล้วจะไม่อาจแนะนําฝึกสอนคนเหล่านั้นในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งแม้คนบวชแล้วเหล่านั้น ก็จะเป็นผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตและไม่ได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จกเป็นอุปชายะให้อุปสมบท ต, ต่อจากอุปชายะแรกสื่อไปสื่อไปจกไม่อาจแนะนำฝึกสอนผู้บวชแล้วทั้งหลายในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งได้คนที่บวชแล้วเหล่านั้นก็จะเป็นผู้มิได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีล ไม่ได้อบรมจิตและไม่ได้อบรมปัญญาอย่างเดียวกันพิทธสุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวินัยมีมนถินเพราะธรรมมีมนถินธรรมมีมนถินเพราะวินัยมีมนถินนี้เป็นอนาคตภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ครั้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกาจัดภัยนั้นเสีย อาจารย์เสียภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจากมีภิกษุทั้งหลายซึ่งมิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตและมิได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จากเป็นอาจารย์ให้นิสัยคนอื่นๆแล้วจากไม่อาจแนะนำฝึกสอนคนเหล่านั้นในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งแม้คนบวชแล้วเหล่านั้น ก็จะเป็นผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตและไม่ได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จะเป็นอาจารย์ให้นิสัยคนอื่นๆสื่อไปสื่อไปจะไม่อาจแนะนําฝึกสอนคนบวชทั้งหลายในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิง่งและในปัญญาอันยิ่งได้คนบวชทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิต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 เถระเสียภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจากมีภิกษุทั้งหลายซึ่งมิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตและมิได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่ทั้งที่เป็นภิกษุชั้นเถระแล้วจะเป็นผู้ชอบทําการสะสมบริคารประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาเป็นผู้นำในทางสามไม่เหลวแลในกีจแห่งวิเวกธรรม ไม่ปรารุความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทาให้แจ้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นเทระเหล่านั้นทำเป็นแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็เถอเอาไปเป็นแบบอย่างจึงทำให้เป็นผู้ชอบทําการสะสมบริคารบ้างประพฤติย่อหย่อนในไตรสิขาเป็นผู้นาในทางซามไม่เหลยวแลในกิ่แทงวิเวกธรรม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 ครั้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกําจัดภัยนั้นเสียเทระที่ต้องระวังกัสปะภิกษุแม้เป็นเทระแล้วแต่ไม่เป็นผู้ใคร่ต่อตรศึกขาด้วยตนเอง ไม่สนเสริญผู้ปฏิบัติในไตรสิขาไม่ชักจูงผู้ไม่รักไตรสิขาไม่กล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตรสิขาตามเวลาที่ควรเกิดการยกย่องตามที่เป็นจริงกัสปะเราต ถ, ถาคตไม่สนเสริญภิกษุเทระชนิดนี้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุทั้งหลายจะไปหลงครบภิกษุเทระชนิดนั้นเข้าด้วยคิดว่าพระศาสดาสนเสริญภิกษุชนิดนี้ดังนี้ ภิกษุเหล่าใดไปคบหาภิกษุเทระชนิดนั้นเข้าก็จะเถระเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างเสื่อไปการเถระเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์และเป็นทุกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ่งกาลนานกัสปะเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่สนเสริญภิกษุเทระชนิดนี้ พระพานภิกษุทั้งหลายคนเราแม้เป็นผู้เท่ามีอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปีโดยคำเนิรก็ดีแต่เขามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัยกล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อิงไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนพูดนั้นย่อมถึงการถูกนับว่าเป็นเถระผู้พานโดยแท้ เทระวิปริษฐ์พิสุทั้งหลายพิสุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุข ทำไปเพื่อความฉิบหายแก่คนเป็นอันมากไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ1ภิกษุเป็นเทระบวชมานานมีพรรษาายุการมาก 2. เป็นที่รู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งกระหัตและบรรพชิต 3. เป็นผู้ร่ารวยลาบด้วยจีวรบิณทบาทเสนนาสนะ และคีฬานปั จ, จัยเพสารปริคาน 4. เป็นพหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสังสมธรรมที่ฟังแล้วมากเป็นต้น 5. แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีทัศนวิปริษภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ทำคนเป็นอันมากให้เลิกละจากพระสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในอาสัตธรรมประชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไปเพราะคิดว่า เธอเป็นภิกษุเทระโบศ์มานานมีพรรษาอายุการมากบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่มหาชนเชื่อเถือรู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารมากทั้งครหัดและบรรณชิตบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่ร่ำรวยลาบด้วยจีวรเบณฑบาทเสนาสนะและขีลานปัจจัยเพศบริคารบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่เป็นพระหูสูตร ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วได้บ้างดังนี้ภิสุทั้งหลายภิสุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำมหาชนให้เสื่อมเสียทำมหาชนให้หมดความสุขทำไปเพื่อความชิบหายแก่คนเป็นอันมากไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล หลายแบบภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบได้เหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้แล้วย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่น่าเคารพไม่น่ายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุชั้นเทระนั้นยังกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยังขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ยังหลงไหลในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลยังตื่นเต้นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นยังมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา 2. ภงพิสษุชั้นเถระนั้นยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะยังเป็นผู้ไม่ปราศจากโทสะยังเป็นผู้ไม่ปราศจากโมหะยังลบหลู่คุณท่านยังตีตนเสมอท่าน 3. าพิกษุชัเนเถระนั้นเป็นคนหลอกลวงเก่งด้วย เป็นคนพูดพิรีพิไรเก่งด้วยเป็นคนพูดหวานล้อมเก่งด้วยเป็นคนปลูกคำท้าทายให้เกิดมานะเจ็บใจเก่งด้วยเป็นคนหากำไรทำนองเอาลาบต่อลาบเก่งด้วย 4. ภิพิสุชนเทระนั้นเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายบาปไม่มีความเกรงกลัวบาปเป็นคนเกียดคร้านเป็นคนมีปัญญาสามห้าพิสุชนเทระนั้น เป็นคนไม่อดใจในรูปทั้งหลายไม่อดใจในเสียงทั้งหลายไม่อดใจในกลิ่นทั้งหลายไม่อดใจในรสทั้งหลายไม่อดใจในสัมผัสทางกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเถระที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้แล้วย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่น่าเคารพไม่น่ายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเลย ข้าลูกกัสปะก็ในเวลานี้พวกภิกษุชั้นเถระไ ม, ไม่สมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดและทั้งไม่กล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นไม่สมาทานการบินบาบเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นไม่สมาทานการใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นไม่สมาทานการใช้ชีวรเพียงสามผืนเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้น ไม่จำกัดความต้องการให้มีแต่น้อยและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สันโดษและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่อยู่สงบและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นผู้อยู่อย่างไม่ครุกเคือกันและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่ปรารบความเพียรและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นบรรดาภิกษุชั้นเทระเหล่านั้น ภิกษุรูปใดเป็นคนมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมีเกียรติยศมีลาบด้วยบริขารคือจีวรนบิณนบาตดเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัดพวกภิกษุชั้นเทระด้วยกันก็เชื้อเชิญให้นั่งเฉพาะภิกษุรูปนั้นเลือกคำเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงภิกษุรูปนี้เป็นที่รักของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน มาเถิดพิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้กสปะครั้นภิกษุชั้นเถระประพฤ ก, กันอยู่ดังนี้ความพิคก็ เ, เกิดขึ้นแก่พวกภิกษุผู้บวชใหม่ว่าได้ยินว่าภิกษุนรูปใดมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมีเกียรติยศมีลาบด้วยบระเรขนันเคยจีวรบินตาบัดเสนาสนะและกีลานปัจจัยเพศศัตระเถระทั้งหลายย่อมนิมนต์เธอนั้นด้วยอาสนะ ด้วยคำเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุนี้ชื่อไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงภิกษุนี้เป็นที่รักของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้ผู้ภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นก็พากันประพฤติเพื่อให้เป็นเช่นนั้นและข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ภิกษุเหล่านั้นเองซึ่งกาลนาน กสปะจริงทีเดียวเมื่อใดใครจะกล่าวคำนี้ให้ถูกต้องแกกาละเทศะและบุคคลว่าพรหมจารีถูกย่ำยีเสียแล้วด้วยอันตรายอย่างของพรหมจารีพรหมจารีถูกร้อยรัดเสียแล้วด้วยเครื่องร้อยรัดอันยิ่งใหญ่อย่างของพรหมจารีดังนี้แล้วเขาพ้นกล่าวข้อความนั้นในการบัตินี้แล สมภานผิดหลักภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสห้าอย่างอะไรกันเล่า5าอย่างคือ 1. เจ้าอาวาสไม่สมบูรณ์ด้วยมารยาทไม่สมบูรณ์ด้วยวัด 2. เจ้าอาวาสไม่เป็นพระหูโสดไม่เป็นเจ้าตำรับ 3. เจ้าอาวาสไม่ปฏิบัติขัดกลาวกิเลส ไม่ยินดีในการหลีกเร้นไม่ยินดีในกรยานธรรม 4. เจ้าอาวาสมีวาจาไม่อ่อนหวานไม่เพราะหู 5. เจ้าอาวาสมีปัญญาน้อยโง่เขลาเงอะงะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แลไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาส สมภารติดถิ่นภิกษุทั้งหลายโทษในการติดถิ่นห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเธอย่อมมีความตรณีที่อยู่คือห่วงเสนาสนะที่สบายสบายเมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งกันหรือถึงกับสูญเสียเสยนาสนะเช่นนั้นถ้าหากว่าตนด้อยกว่าด้วย 2. เธอย่อมมีความตรนีสกุลอุปถาก เคอการท้าไม่ให้ภิกษุอื่นรู้จักมักคุ้นด้วยอุปถากของตนโดยกลัวว่าจะถูกแบ่งลาบหรือถึงกับสูญเสียอุปถากไปสเธอย่อมมีการหวงลาบเคยการอยู่ติดถิน่นทําให้เกิดความคิดสะสมสิ่งของจึงหวงเสียงของต่างๆเพื่อการสะสมสเธอย่อมมีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศเคยไม่ต้องการให้ใครมีชื่อเท่าตนในถิ่นนั้นห้า เธอย่อมมีการหวงคุณธรรมเคอการกันท่าไม่ให้ผู้อื่นเจริญด้วยปริยัติธรรมปฏิปฏิธรรมและปฏิเวทธรรมเพราะจะเป็นคู่แข่งที่ครอบงำตนภิกษุทั้งหลายโทษในการติดถิ่นมีห้าอย่างเหล่านี้แล สมพารติดที่อยู่ภิกษุทั้งหลายโทษในการติดที่อยู่ห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ 1. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมมีพันธะสิ่งของมากเป็นผู้ชอบสะสมสิ่งของไว้มาก 2. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมมีเศสัชมากเป็นผู้ชอบสะสมเศสัชไวมาก 3. ามพิสุติดที่อยู่ย่อมมีขีดมาก มีการงานที่ต้องจัดต้องทำมากเลยเอาดีในหน้าที่ของสมณะโดยตรงไม่ได้ 4. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมจะคลุกคลีกัคกบค้รหัสและบรรปะชิดด้วยการคลุกคลีกันอย่างแบบค้รหัสอันเป็นสิ่งไม่สมควรแก่สมณะ 5. ภิกษุติดที่อยู่จะจากทินที่อยู่นั้นไปเธอย่อมจากไปด้วยจิตที่ห่วงใ่ภิกษุทั้งหลายโทษในการติดที่อยู่มีห้าอย่างเหล่านี้แล นรกของสมภารเจ้าวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นองค์ประกอบห้าอย่างอะไรกันเล่า5อย่างคือหนึ่งภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวนไม่ใต่สวนในรอบคอบเสียก่อนกล่าวยกย่องคนที่ควรตาหนิสอง ภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวนไม่ไต่สวนในรอบคอบเสียก่อนกล่าวตำหนิคนที่ควรยกย่อง 3. ภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใกล้ครวนไม่ไต่สวนในรอบคอบเสียก่อนแสดงความเลื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 4. ภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวนไม่ไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนแสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏ ในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหภิกษุเจ้าอาวาสทาทายธทานที่ทายกถวายด้วยศรัท ธ, ธาให้ตกเสียไปภิกษุทั้งหลายพิสษุเจ้าอาวาสที่ประคบที่องค์ประคบร้าอย่างเหล่านี้แลย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ฉะนั้นมัวเที่ยก้าจบ